เสียงอ่านหนังสือดูใจชั่วนิวรัน์งานเขียนโดยดังตรินเสียงอ่านโดยชมรมผลดีขอบคุณคุณตองพีที่อนุญาตให้นำเสียงเป็นโนมาประกอบนะครับ พูดว่าดูใจทุกคนจะนึกถึงช่วงคบหาก่อนแต่งแต่คงไม่มีใครนึกถึงคำนี้เลยนับจากวันที่จัดพิธีมงคลสมรสหรือแต่งงานอยู่กินกันฉั้นสามีพัญญาผมนึกถึงเรื่องนี้เสมอและจากการพูดคุยลงรายละเอียดกับคู่รักมาเป็นร้อยร้อยคู่ผมพบว่าช่วงเวลาที่ดีที่สุดที่เห็นตรงกัน มักจะเป็นช่วงคบหาดูใจกันนั่นเองไม่ใช่ช่วงหลังจากนั้นทำไมช่วงเวลาที่ดีที่สุดกลับล่องหุนหายไปแทบจะในทันทีที่เข้าพิธีมงคลกันด้วยละ่ะตกลงงานแต่งมันเป็นพิธีมงคลหรือเป็นลางไม่ค่อยดีกันแน่นอกจากต้องเหนื่อยยากด้วยการมีภาระหน้าที่ที่จะต้องร่วมกันหลังจากงานแต่งเป็นธรรมดาแล้ว คุณจะพบเสมอว่าคู่รักทั้งหลายเลิกดูใจกันด้วยความประมาทนึกว่าแต่งแล้วก็ชัวแล้วกันเองกันเองไม่ต้องถนอมน้ำใจให้มากแล้วแกลงกระทุ้งให้เจ็บใจยังไงก็เอาให้เต็มที่ได้แล้วมันช่างเป็นเรื่องแปลกแล้วก็น่าฉุกคิดแท้ จ, จริงๆทำไมถึงเป็นอย่างนั้นไปได้ลองมาตั้งนิยามกันใหม่ดีไหม ดูใจคือมองให้เห็นจิตเห็นใจกันดูใจคือแคร์กันที่หัวจิตหัวใจไม่เลิกจะได้รู้สึกว่าดูใจชั่วนิรันได้ไม่ใช่เห็นเป็นลางไม่ดีดูใจกันไปเรื่อยๆเลยไม่ต้องได้แต่งกันสักทีอย่างที่คนส่วนใหญ่คิดในทันทีที่เห็นชื่อหนังสือเล่มนี้ลงชื่อดังตริน กุมภาพันธ์พุทธศักราช2559คิดถึงคนอื่นที่ไม่ใช่คู่ตนผิดไหม คนประเภทหนึ่งที่แค่ปรากฏตัวก็ปลุกคนเห็นให้ดีใจขณะที่คนอีกประเภทแค่เดินมาแต่ไกลไกลก็นึกอยากหลบแล้วก็มีคนประเภทหนึ่งแม้ทำตัวแสบแต่อุตส่ามีคนแอบรักเยอะขณะที่คนอีกประเภทดีแค่ไหนก็ไม่มีใครนึกรักนึกอยากอยู่ด้วย แถมยังมีคนอีกประเภทหนึ่งหน้าตาดีแต่มองแล้วอยากเมินขณะที่คนอีกประเภทหน้าตาแค่พอใช้แต่กลับจับตาได้นานกว่าทำไมเป็นอย่างนั้นคำตอบคงไม่ใช่ตื้นตื้นแค่ทำดีเดี๋ยวก็มีคนมารักเพื่อนจะเข้าใจจริงๆคุณต้องหันไปดูดอกไม้แล้วถามใจตัวเองว่า ระหว่างกุหลาบสดกับกุหลาบเหี่ยวคุณอยากมองดอกไหนมากกว่ากันและแม้ระหว่างกุหลาบสดด้วยกันทำไมคุณถึงอยากคัดแต่ดอกเด่นมาปักแจกันมากกว่าดอกอื่นคนเราชอบพลังชีวิตที่สดชื่นไงแค่กุหลาบดอกไหนช่วยให้คุณสดชื่นได้ดอกไม้นั้นก็มีคุณงามความดีพอแล้ว พลังความสดชื่นเป็นสิ่งที่รับได้ง่ายเจอคนบางคนปุ๊บราวกับได้โดบยาให้ตาสว่างปับ๊บอย่างนี้ใครละ่ะจะไม่ชอบใครช่วยให้คุณรู้สึกดีสมองคุณตัดสินทันทีแล้วว่าเขาเป็นคนดีคนดีบางคนทำดีไปสงสารตัวเองไปบางทีก็ท้อใจกับชีวิตทั้งชีวิต พิษสั้นอยากหนีไปสวรรค์บ้างหรือยอมปล่อยจิตปล่อยใจให้หดหู่ฟุ้งซ่านอยู่กับเรื่องไม่เป็นเรื่องบ้างคนธรรมดาบางคนหน้าตาไม่ดีแล้วยังปากไม่ดีอีกเพราะวันวันหมกมุ่นคุนคิดถึงแต่แง่ร้ายชอบจับผิดชอบเพ่งโทษชอบหาเรื่องด่าทาให้ฟุ้งซ่านมีจิตหดหู่เป็นอาจิน แค่เข้าใกล้ก็รู้สึกเหมือนเจอหลุมดำโดนหลุมดำดูดพลังชีวิตด้านดีแบบพวกห้าบใครมันจะไม่อยากหนีหละ่ะใครทําให้คุณรู้สึกแย่สมองคุณจําทันทีว่าเขาเป็นคนไม่ดีจิตปดหู่ครองเวลาในชีวิตคุณนานขึ้นเท่าไหรออร่าทางความรักก็หายไปนานขึ้นเท่านั้น เหมือนกุหลาบเหี่ยวที่ไม่มีใครอยากเอาในทางตรงข้ามจิตสดชื่นยิ่งเกิดขึ้นนานออร่าทางความรักก็จะยิ่งเบ่งบานขึ้นทุกทีถึงแม้ทำตัวครึ่งดีเครึ่งร้ายแต่ชอบสนุกชอบคึกคักชอบยิ้มแย้มชอบพูดแต่เรื่องน่าสบายใจก็เกิดออร่าพลังแม่เหล็กได้ ตามกติกาอันยุติธรรมทางธรรมชาติของจิตดาราดังบางคนดังขึ้นมาได้จากบุญเก่าที่เคยแจกจ่ายของดีช่วยให้ผู้คนและเหล่าสัตว์มีชีวิตชีวาสดชื่นเช่นปล่อยปลาที่จะถูกฆ่าลงในน้ำใหม่พูดจาแบบที่ให้แง่คิดดีๆกับคนจำนวนมากเอาความรู้ความสามารถที่มีไปยกระดับ ปรับเปลี่ยนชีวิตชาวบ้านที่เหี่ยวเฉาให้กลายเป็นเบิกบานมีกินมีใช้มาชาติปัจจุบันแม้ลืมว่าเคยดีแต่ความดีจะไม่ลืมเขาหรือเธอเลยบุญในอดีตตกแต่งรูปชีวิตปัจจุบันให้ดูดีสร้างแม่เหล็กดึงดูดใครต่อใครให้อยากห้อมล้อมชื่นชมซึ่งก็เหมือนดอกไม้ได้น้าทาให้ดาราดังสดชื่นมากกว่าแห้งเหี่ยว ยิ่งสดชื่นแรงสดชื่นนานก็ยิ่งสะสมออร่าทางความรักไว้มากต่อให้หลงตัวแค่ไหนก็กำจผู้คนได้มากอยู่ดีอยู่ในจอแกล้งทำดีก็มีคนเชื่อกันทั้งประเทศอยู่นอกจอถึงร้ายกาจบ้างก็ไม่มีคนเกลียดมากนักจึงสนุกกับการเป็นโรคแกล้งดีซ่อนร้ายจริงเกินไป ดูจากคนธรรมดาดูจากดาราดังเมื่อเข้าใจหลักความยุติธรรมทางธรรมชาติคุณจะจับจุดถูกเลิกถามคนอื่นว่าทำไมฉันแสนดีถึงไม่มีคนรักทำไมหมอนั่นหรือยายเนี่ยแสนร้ายกลับมีแต่คนชอบแล้วเปลี่ยนมาถามตัวเองใหม่ว่าฉันมีจิตหดหูหรือจิตสดชื่นมากกว่ากันจิตแบบฉัน สมควรเป็นที่รักหรือถูกเหมือนถ้าตอบตัวเองถูกว่ามีจิตหดหูบ่อยกว่าจิตสดชื่นก็ต้องฝึกสู้กับจิตหดหูกันหน่อยอาจเริ่มจากตกแต่งสภาพรอบตัวให้หน้าอยู่ขึ้นแต่งเนื้อแต่งตัวให้สดใหม่บ้างตลอดจนเว้นวักการก้มมองมือถือเหนื่อยหน้าขึ้นมองนกมองไม้บ้าง และที่สุดของการได้ความสดชื่นไว้เป็นสมบัติคือการรู้วิธีหายใจให้ยาวขึ้นและช้าลงอีกทั้งรู้ว่าแม้ลมหายใจยาวๆช้าๆดีๆนั้นก็เกิดขึ้นไม่ได้ตลอดเวลาเมื่อสังเกตเห็นความไม่เที่ยงของลมหายใจแห่งความสดชื่นอยู่เรื่อยๆจิตย่อมถอนจากอารมย์ยึดมั่นหวงแหน ถอนจากความรู้สึกไม่ได้อย่างใจถอนจากความคิดน้อยเนื้อต่ําใจถอนกันวันต่อ ว, วันทีละนิดทีละน้อยกระทั่งในที่สุดกลายเป็นจิตใหม่สดชื่นในตัวเองโดยไม่พึ่งอะไรนั่นแหละยอดแห่งจิตที่ผลิตออร่าแห่งความเป็นที่รักไกลอยู่ใกล้ก็รู้สึกปลอดโปร่งโล่งใจตามเครียดมาจากไหน เจอเข้าก็ปล่อยหายเครียดจิตแบบเนี้ยใครจะไม่รักทั้งคนอื่นและเจ้าตัวเอง